ก็บอกว่าขนาดอะเอาผู้ยิ่งใหญ่มารวมประชุมกันได้นะถ้าหากว่ามีองค์ประกอบเต็มที่ฉันใดรวบรวมอริยธรรมทั้งหลายอริยธรรมคืออริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาหรือทาให้แจ้งอารยผลทั้งหลายก็ทาได้ท่านบอกว่าเช้านี้ด้วยนะล็อกเวลาด้วยพระประเจกับพพุทธเจ้าประคองจิตตั้งจิตไว้ว่ า, วาเที่ยงวันนี้แหละเย็นวันนี้แหละ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 ความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลและในกุศลธรรมอื่นๆอันยิ่งขึ้นไปชื่อว่ามีความพยายามมั่นคงังนั้นคนตั้งความเพียรเพียรอะไรก็เพียรสมาทานในการประพฤติกุศลธรรมทั้งการยสุจเรศวจีสุจเรศมโนสุจเรศในการให้ทานรักษาศีลรักษาอุโบสถเลี้ยงดูพ่อแม่ บำรงสมณพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลและอาถรกุศลอื่นๆเช่นสมถาวิปัสนาเป็นต้นคนที่ภาคเพียร น, น้อมไปเพื่อกุศลธรรมเหล่านี้เรียกว่าผู้มีความพยายามบากบันมั่นคงคำว่าเข้าถึงด้วยเรียวแรงด้วยกำลังความว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยเรียวแรง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 ปัญญาก็คือกำลังคือพละห้านะพละหานะั่นแหละจึงจะทําให้ตรัสรู้ได้ศรัทธาพละวิรยิยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละจะใช้เรี่ยวแรงอย่างเดียวใช้กําลังเพราะฉะนั้นอย่างที่เขาบอกว่ากําลังกายไม่สามารถทําให้ตรัสรู้อริยาศาสตร์ได้หรอกแต่กําลังใจนี่สิกำลังใจที่ประกอบไปด้วยศรัทธาวิรยิยสมะสติสมาธิและปัญญากําลังแห่งกุศลธรรมเหล่านี้ น, นี่แหละที่จะทําให้ รู้แจ้งแง่งตลอดอริยสัจ ท, ทั้งหลายส่วนในคถ า, าอีกคาถาหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องราวเหมือนคาถาก่อนเรื่องราวก็แปลว่าเหมือนกับอาววรณาคถาเนี่ยนะก็คือเหมือนกับคถ า, าที่ว่าพระราชาที่ได้ปฐมฌานนะนะเหมือนกับเรื่องของพระราชาที่ได้ปฐมฌานอววรณาคถาคาถาที่ก็นั่นแนหะคถ า, าที่สามสิองนะละปฐมส่วนคําอธิบายมีอธิบายว่า รายละเอียดเต็มมีว่าพระปจเจ ก, กสัมพุทธเจ้านั้นไม่ละวิเวกไม่ละฌานประพฤติ ธ, ธรรมะอันสมควรในธรรมทั้งหลายเป็นนิดพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอ่อแรกอันนี้เป็นคําอธิบายนะว่าไม่ละวิเวกไม่สละฌานนะประพฤติ ธ, ธรรมะอันสมควรในธรรมทั้งหลายเป็นนิดเกี่ยวกัปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งหลายเป็นปกติเนี่ยนะ พิจารณาเห็นโทษในพบทั้งหลายเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรกถ้าเป็นคาถาอยู่ในในหน้า102อนะหน้า102หน้า102ย่อหน้าบุคคลไม่ละการหลีกเล่นและชานมีปกติประพฤติธรรมอันสมควรเป็นนิดในธรรมทั้งหลายพิจารณาเห็นโทษในพบทั้งหลายพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกคาอธิบายว่า อธิบายในหน้า228บทว่าปฏิสัลานังก็คือมุนกลับจากสัตว์และสังขารนั้นๆเรียกว่าหลีกรัน้นเนี่นะลีกรัน้นอธิบายว่าความคบตนผู้เดียวเออนะเนี่ยอธิว่าหลีกรั้นคืออะไรบอกครบตัวเองคนเดียวเหมนรู้จักแต่ตัวเองนี่แหละความเป็นผู้มีคนเดียว กายยวิเวกน่ะนะคือคนเดียวที่เป็นกายยวิเวกไม่มีคนข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาล้อมหน้าล้อมหลังไปแต่ผู้เดียวเรียกว่ากายยวิเวกส่วนจิตวิเวกเรียกว่าฌานเพราะผาดฌานเนี่ยนะฌานนี่แปลว่าอะไรฌานเพราะว่าแผดเผาบาปประธรรมที่เป็นฆ่าศึกคำว่าฌานนะโดยศัพท์แปลว่าเผาฌานเนี่ยเอาเข้าฌานเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าเพ่งกับแปล ว, ว่าเผาเพ่ ง, เ พ, งเพ่งอะไรเพ่งอารมณ์เผาอะไรเผาปฏิปักษ์ธรรมเผาฆ่าศึกศัตรู เพราะฉะนั้นฌานแปล ว, ว่าแผดเผารทำที่เป็นข่าศึกเพราะอะไรเพราะว่าฌานเนี่ยเพ่งอารมณ์เรียกว่าลัคนูปนิชฌานเพ่งอ า, อ, อ, อารัมมณูปนิชฌานก็คือเพ่งอารมณ์เพ่งพร ม, มิหารเพ่งอ่าเพ่งอะไรเพ่งปิยมนาปสรรรัสสุขิตาสเป็นต้นเรียกว่าเจริญอารัมมณูปนิชฌานชวนเพ่งในลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าลัคนูปนิชฌาน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 ในคาถานี้วิปัสสนามักผลชื่อว่าฌานนะครัว่าฌานที่แปลว่าเผาเนี่ยนะทั้งวิปัสสนาก็เผามักก็เผาผลก็เผาเผาอะไรเผาทำอันเป็นฆ่าศึกมีสัตตะสัญญาเป็นต้นนะอย่างเช่นทิฏฐิวิสุธทธิ์ก็เผาความสําคัญว่าเป็นสัตว์เครื่องหมายสาคัญว่าเป็นสัตว์แล้วก็แล้วก็เข้าไปเพ่งลักษณะเนี่ยนะเพ่งเพ่งอะไรเพ่งปัจจตลักษณะเพ่งสามัญลักษณะเป็นต้น แต่ในที่นี้ประสงค์เอาอารัมมณูปนิชฌานเท่านั้นคือไม่ปล่อยไม่สละไม่ละซึ่งการหลีกเร่นและด้วยฌานนั้นแปลว่าท่านไม่สละฌานที่ท่านได้แล้วเนี่ยนะก็ได้ฌานตั้งแต่เป็นพระราชาเพรา ะ, ะนั้นก็เพื่อจะตามรักษาฌานเจริญฌานต่อไปบทว่าธรรมมีสุในธรรมมีเบญจขันตเป็นต้นในธรรมทั้งหลายเป็นนิจเนี่ยนะก็คือประพฤติสมควรในธรรมทั้งหลาย เราเข้าถึงขันด้วยวิปัสนาเป็นปกติเนืองนิดสม่ำเสมอและบ่อยๆบทว่าอนุธรรมจารีความว่าประพฤติวิปัสนาธรรมอันเป็นไปเพราะปรารบธรรมเหล่านั้นคือขันห้าเป็นไปอีกอย่างหนึ่งโลกุตระธรรมชื่อว่าธรรมธรรมอันอุโลธรรมอันอนุโลมแก่ธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอนุธรรมคําว่าอนุธรรมเป็นชื่อของวิปัสนาพัน อนุธรรมจารีประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตระธรรมประพฤติวิปัสนาเพื่อสมควรแก่อริยมรรคนั่นเองบทว่าอาทีนวังสมัมมิตรบทว่าอาทีนวังสัมมิตาพระเวสุความว่าบุคคลพิจารณาเห็นโทษมีอาการไม่เที่ยงเป็นต้นโทษของขันห้าคืออะไรก็มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแ ป, ปรปลุนไปเป็นธรรมดานั่นแหละคือโทษแห่งขันห้าในภพสาม พิจารณาอย่างนี้ด้วยวิปัสนากล่าวคือความเป็นผู้ประพฤตนนะิตามธรรมนั้นนะตามธรรมนั้นตามอะไรตามวิปัสนานั้นพึงทราบ ว, ว่าบรรลุแล้วซึ่งกายวิเวกจิตตวิเวกด้วยปฏิปทากล่าวคือวิปัสนาอันถึงยอดเที่ยวไปแต่ผู้เดียวด้วยการประโยคะด้วยการประกอบสมถะและวิปัสนาเหล่านั้น ภาษาริบุตรอธิบายเพิ่มเติมว่าคําว่าไม่ละฌานไม่ละวิเวกเนี่ยนะไม่สละไม่สละวิเวกไม่ละฌานออกไปคืออะไรคือพระประเจกับพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ชอบวิเวกนะโดยอัธยาสัยนี้เป็นคนที่ยินดีแต่ผู้เดียวอยู่แล้วยินดีในวิเวกประกอบความสงบจิตอันนี้ก็คือจิตตวิเวกณนะภายในเนืองๆไม่ห่างจากฌาร่างกายเนี่ยห่างจากคนอื่นก็จริงแต่ใจไม่ห่างจาก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 ที่ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าไม่ละชานด้วยอาการอย่างนี้เนี่ย น, นะก็คือมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต้องการชานยิ่งขึ้นแสดงว่าท่านไสสู ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเนี่ย น, นะอีกอย่างหนึ่งพระประเจกพุทธเจ้านั้นย่อมเสพเจริญทําให้มากซึ่งปฐมฌานที่เกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยปล่าละเลยทิ้งๆิคว่างคไม่ดูแลไม่ใช่ นะทุติยฌานที่เกิดขึ้นแล้วตัติยฌานที่เกิดขึ้นแล้วจตุทัชฌานที่เกิดขึ้นแล้วนะเสพเจริญทําให้มากทําให้เป็นวสีชํานาญในการเข้าชํานาญในการตั้งอยู่ชํานาญในการออกชํานาญในการนึกชํานาญในการพิจารณาก็เรียกว่าวัสีทั้งห้าในฌานทั้งสีนั่นแหละ <im it> เพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่ละวิเวกในฌานทั้งหลายไม่สละทั้งกาย k, วิเวกจิตวิเวกไม่สละปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทัชฌาน ส่วนธรรมทั้งหลายธรรมนี่คืออะไรตรงนี้บอกว่าธรรมเมสุธรรมเนี่ยธรรมคืออะไรธรรมคือสติประธานสี่สัมมาประธานสี่ที่บาสีอินรีห้าพละห้าโพชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือที่เราเรียกว่าโพธิปัฏฐิธรรมสามสิบเจเรียกว่าธรรมะธรรมะในที่นี้นะในคําว่าธรรมเมสุนิจังอนุธรรมจารีส่วนอนุธรรมจารีเนี่ยนะธรรมที่เพื่อธรรมอันสมควรอ่ะ ทำอันสมควรแก่โพธิปัจจะธรรมคืออะไรทํำยังไงให้มันสมควรจะได้โพธิปักจะธรรมเหล่านั้นทั้งั้งทํำยังไงบ้างเรียกว่าทําอันสมควรอนุธรรมมัจจารีคือว่าประพฤติธรมน้อยเพื่อคล้อยตามธรรมใหญ่ต่อไปเนี่ยนะอธิบายว่าความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติไม่เป็นข่าศึกความปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ความปฏิบัติรำสมควรแก่ทม ก็คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีเจปฏิปันโนนั่นแหละกลุ่มนั้นนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติไม่เป็นฆาสึกปฏิบัติไปตามประโยชน์นะน่ะเรียกว่าเป็นคนที่แสวงหาประโยชน์จริงๆเลยนะแต่หมายถึงประโยชน์ประโยชน์สูงสุดน่ะนะมันปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมทําอะไรบ้างล่ะความเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้ประมาณในการโภชน ะ, ะรู้ประมาณในโภชนะความประกอบเนืองๆซึ่งความเป็นผู้ตื่นสติสัมปชัญญะเหล่านี้ท่านเรียกว่าธรรมะอันสมควรก็แปลว่า เสนอินทรียสังวรโภชเนมัตันยุตาชาคริยานิโยคสมถะวิปัสนาหรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะสัทธากสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะสัปปายสัมปชัญญะและอะสัมโมหะสัมปชัญญะการเจริญสัมปชัญญะเหล่านี้เพื่อสอดคล้อยคล้องนะสอดคล้อยคือคล้อยตามอะไร ร้ยตามโพธิปัจจะธรรมเพราะโพธิปัจจะธรรมนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์อัน ส, สูงสุดคือพระนิพพานคําว่าประพฤติธรรมอันสมควรในธรรมทั้งหลายเป็นนิสหมายความว่าประพฤติอย่างนี่เป็นปกติเป็นนิดนิสก็คือมันเที่ยงอะทำให้มันเที่ยงเลยนิดนิรันอะนะนิสตญาก็คือมันแนาา่นอนอะทำให้มันแน่นอนซะปฏิบัติเพื่อ น, นิพพานให้แน่นอนเลยนะอย่าเบี่ยนเบนเป็นต้นเนี่ยอธิบายว่า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 กระทบกันว่าสืบทอดกันเหมือนอะไรเหมือนระลอกน้ําเป็นคลื่นสืบทอดสืบต่อกันกระทบกันต่อไปอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าปฏิบัติกุศลธรธรมไหลไปกุศลอย่างเดียวหลังไหลไปเหมือนกระแสคลื่นในทะเลเนี่ยนะไม่มีหยุดไม่มีย้อนเนี่ยนะชาวนะเป็นไปกับกุศลเป็นไปกับสมถาวิปัสนาอย่างเดียวทั้งเวลาก่อนอาหารหลังอาหารยามต้นยามกลางยามหลังแปลว่า24ชั่วโมง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 เรียกว่าประพฤติธรรมอันสมควรในธรรมทั้งหลายเนืองนิดนิดนิตยะนิดนิยตัแปล ว, ว่ามันแน่นอนน่ะเจริญอย่างนี้ไม่มีเวลาเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่ายังเจริญไม่ได้ก็ให้มีใจว่าจะเจริญอย่างนั้นก็ดีได้บุญแล้วเหมือะนกะันนะคือมันต้องมีโครงการมัาจะต้องทําอย่างนี้ให้มันได้ตลอดไปแต่ว่าอุย้ยมีใครทําได้หรอกใช่แล้วคนพูดนีแ่แหละทําไม่ได้ตลอดไปทําไมอ่ะก็เพราะวาความคิดตัวนั้นแหละมันทําให้ทําไม่ได้เพราะไม่ที่จะทำเหมั้น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 แล้วก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเที่ยวไปด้วยอริยมรดุดนอแรกฉะนั้นเนี่ยนะก็บรรลุปไปอีกองหนึ่ง